พวกลูกหลานทางบ้านชาวบ้านบ้านแวงที่บ้านเกิดหลวงพ่อเอ้หลวงพอ่ออินของเราเนี่ยจะอาอยุเท่าไหร่น้อคุบาอินเนี่ยอาอยุหกสิบเก้านั้นแล้วลูกหลานนะอีกไม่นานก็จะเข้าเจ็ดสิบแล้วอีกไม่นานปีสองปีนี่แหละคนเจ็ดสิบเนี่ยดูสิจะขนาดไหนเผลอๆเ่ยฟันหลุดฟันร่วงไปหมดละผมงอกผมขาวไปเรื่อยนี่แหละอันนี้คื อ, ค, อความ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 ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าใช้ไปในทางที่ผิดมิตรสาธิติไมิตรสาทิติสัมมาทิฏฐิเป็นของกู้กันเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่นนานคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนนะก่อนที่จะมีวีซ่ามาถึงพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปควรจะไหว้พระรักษาศิ่ภาวนาปฏิบัติ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 จุดจบขึ้นเมื่อวีซ่ามาถึงเราก็ต้องย้ายบ้านเอคุณมาอยู่ในโลกนานแล้วนะพอแล้วไปกลับไปสู่ปรละโลกได้ในเมื่อไปประโลกเนี่ยเราได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างทุนที่เราจะเดินทางาต่อไปภายภาคหน้าเรามีอะไรบ้างที่จะทำให้เราไปสู่ประโลกเรามีเงินในกระเป๋าเพียงพอหรือยังเงินก็คือบุญ น, น, น่เรามีบุญได้ทำไว้เพียงพอหรือยัง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 แต่ร่างกายรถเนี่ยแตกตายสลายแน่แต่คนขับรถออกจากรถนะอไปหารถคันอื่นดิร่างกายมีป่าช้านะตายแล้วเผาฝังไม่ฝังกระเผาไม่เผาเอาฝังเอไม่ฝังก็บช่ำแหล่เลยทุกวันเลยถึงช่ำแหละแล้วกว็เถอนิดเอาไปให้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วกว็เถอดมากับมาเผาเอย่างเก่านั่นเนี่ยแต่ร่างกายมันเป็นเพียงนะแต่ว่าใจไี่ไม่มีป่าช้านะ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 จะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังคะในปัจจุบันนกรรมนี่ก็เถอะนะถ้าว่าคนไหนทํากรรมไม่ดีเอี่ยเท่าับโมโหให้ใครแล้วไปฆ่าเขาอไปป้นเขาไปขโมยเขเอไปทุบไปตีเขาเนี่ยพ่อว่าโกรธให้เขาเอแล้วก็ชะใจตัวเองก็ทําแต่ขณะดชะใจก็เถอะเมื่อไปทําเสร็จแล้วอีกต่อไปนะั่นฮะเขาไปฟ้องร้องตํารวจตํารวจรู้เข้ามาเ่ะตัวเองน่ะแตนี่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 เพื่อเป็นแนวความคิดนะเพื่อการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ไดไ้ได้รับการศึกษาจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรหนะลวงพ่อเห็นไหมลูกหลานเนะี่ยพูดต่อหน้าลูกหลานได้เลยหลวงพ่อบวชมาแต่อายุสิ1เดสิบสองปีบวชตปีสองพันห้าร้อยมาถึงป่า น, นี้นะปีที่ห้าสิบห้าปีสองพันหะ้านะ้อยห้าสิบห้าเนีห้ารนะ้ยปีทีห้าสิบห้าชีวิตของหลวงพ่อเนะี่ย